อันสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกั น, นรัฐคดเสดตอนนี้และเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงการหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดท่านลายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม่ไม่ไมเป็นการเปลี่ยนเวลา ก็พวกเขาพูดย้ำสั้นๆปกติก็าบอกคนที่ยังเห็นนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้งสี่แน่จุดเตี้ยไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, ร, อริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาวลีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่าทุกคนหนีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปลอยหาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาข้องใจเรื่องความกังวล น, นิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามทย์พระตรศนาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่ว่าต้องไปอบายพระพรมว่าจิตมีอารมณ์กลุ่มแลนหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตอนนี้ไปก็จะขอนําอภุท ธ, ธานุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายได้คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการเดินพุ่งไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าจะออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปร ก, ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดี เป็นสัตย์เียฉัก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนุนตัอการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีถ้อการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่งคือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆ ไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในได้ความดีจริงจงัอย่างที่จะรักษาศินก็รักษาสินไม่จริงทำใม้ผีอาสินหัวเต่าผุบเข้าผุบออกรักษาบ้างหมารักษาบ้างสิขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้จําเป็นแก่สังคมถ้าปฏิบัติตามสินก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคม อย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์ตั้งแแปลว่าใจสูงคนที่แปลว่าโย่ถ้าปฏิบัติในสินในทำไม่ได้มันก็มีแต่ความยุ่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรมอบสิทธิ์ประการครบถ้วนคือมีทั้งสินทั้งทำครบถ้วน ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดและก็ไม่พูดคําหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางใจไม่คิดย่ายดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิดจองล้างจองผานใครมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาใบรรดาได้มีความสุ อารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานุภัยเถาวรลย์ท่านพุทธบริยัทที่ท่านนั่งหลายกําลังฟังอยู่นี่ถ้านลองวัดกําลังใจของท่านดูทีแล้วว่าเวลานี้น่ะท่านเป็นมนุษย์แต่ว่าท่านเป็นคนหากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กําลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกิน เกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็ดะได้พบกันวันนี้มาพูดกถึงพุทธานุสติกรรมฐานเพรว่าสังโยช น, น์ทั้งสามรายการเมื่อใช้บรณานุสติกรมฐานคนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้ว ต่อไปก็มีพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามราการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องคุยความจําเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานแต่ข้ารันดาญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบโดยการตัดแสงโยตพระพุทธเจ้าบอกว่าสังโยตสามรายการเนี่ย ไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆจะได้การปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติขันด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านจะคิดว่าพระวัฒ่าสงูงมีแต่วความเกลียดารปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจ แล้วได้เงินเดนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบัยงัสมิธาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบวชมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทำพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎกท่านนั่นหลายจะา่างหาโง่เง่าเาต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชหรือการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎก ท่านไปนิพายนกนนับไม่ทวนแล้วจึงของยอมโงต่ตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกามฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าความจริงคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทสามารถทรงกําลังใจได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนี้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คำว่าเคารพระนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกัน ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนักถือพ่อแม่หรือเคินสิทธิ์ยอมรับนักถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกสิทธิ์ไม่ยอมเชื่อฟัง อย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตัญยูไม่รู้คนๆอย่างนี้สบายใจมะรดายาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่างทีาจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, นัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศสิน ว่าธมคือการแนะนำให้ปฏิบัติให้ได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเป็นคนอักตันยูไม่รู้คนคนยานี้ไม่ได้ ว่าท่านไม่ใช่้สษีทุกข์าท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นไว้แต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบตามานี่โกนโหัวโกนคิว้วห่มผ้าเหลืองนั่นก็กอยู่วัดอยู่ว่าความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก่เลี้ยงที่อยู่ทั้งก่สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ถ้าผ่อนท้อสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าตมมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุขคตคือพระพุทธเจา้า ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างถ้ามาเออน่าจะมาไปพึิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็โกหกบรรดาญาโยมพระตวาิสัตว่าตมานี่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจา้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจา้าก็เลยให้ให้โนท์ให้นีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอกตัูไม่รู้คน เพราะอากตศัน ย, ยูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบารมีเขาองสมเด็จพระบรมโลกระเช้าก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่้กินไม่ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตัน ย, ยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททธ์หลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณ ตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนที่นับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉ พ, าะ พ, า, พ, ะเพาะพุทธศาสนาิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อักตันอยู่ไม่รู้คุณท่าน ที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอกตตัญูในท่านโดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคำแนะนำเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาทรรมบุทธบริษัท ต, ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วย แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านโดยเชียงใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทำเชียงใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้ความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านักถือพระพุทธเจ้าจริงถ้าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดี คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีถึงแปดหมืนสี่พันหข้อก็ไม่จําเป็นต้องนํามาปฏิบัติทั้งหมดเลือกเอาโดยเฉพาะว่าเสียงไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถีพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐาน ที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงมีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสพ ป, ปาปัสสะอัตรณนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านหลายจงหยาทาความชั่วทุกอย่างกดสรสูปัสสะมาธาจงทำแต่ความดี ให้จิตตปะโยธาปันงังต้องทำจิตใจให้เบาสายจจกกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพรองค์ทนยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรณีเหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดสิงสิ่งใดที่ทรงแนะนำไม่ทำคือปฏิบัติตามสิง สิ่งใดที่ทําจิตใจบ่อนใสคือ ท, ทําจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะแล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากเลยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมัฐานคําว่าพุทธานุสติ เรือตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิไม่อารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทําอะไรหนะักเพื่อการตัดแสงยอดสาม้ายการไม่มีอารมณ์นะ่ะแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัท อย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเคยเฉยเฉ่อการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากํลกลาลังกำลังใจแล้วชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้าท่านมีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดเรงความดีบางทีท่านดังไร จะนึกไปออกว่าโอ้โหความดีพระเจ้าเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่รมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพย์ทิพยจักรปุญญาหรือไม่ได้มนโนมยิธิคำว่าทิพะจักรุญญาเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามนโนมยิธิเป็นหลักสูตรข้อปัญญา เวลานี้คนได้กะนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องวัดไม่ต้องลึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรู ป, รรปรรพระโฉมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปพระโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่ ไมว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพานหรือว่าจะจับพระรูปประชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพานไปแล้วก็ได้ทําจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขมืใจจิตใจเรื่องเรื่องความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระุยาน แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิธิเึืเนไปส่วนหนึ่งกอพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูเลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนและสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทําใจส บ, บายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสียอะไรหน้าตาเย็งแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเป็งแค่แบบส บ, บายส บ, บายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขถ้าพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไปออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ใกล้ไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปรก็หลับตานึกถึงก็ได้เอาเแค่สบายใจสมมติถ้าถ้าหลับตากระอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วท่าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพรพระพุทธรูป แล้วก็นับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านเสียอะไรอาการที่ทําทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อรมพุ่งเกินไปก็ลืมตานืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพดูหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แล้จิตก็ว่างจากนิวรต้อง ว, ว่างจากกิเลสจิตว่างจานิวรจิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิแล้วคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูได้อย่างนี้เป็นพุทธานสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทท่านในใช้คําภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่ยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่าอย่างไงก็ตามก็เป็นพุทธานุติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ เวลาให้ใจเข้านึกตามอภุดเวลาให้ใจออกนึกตามอโถด้การให้ใจนบันดาทนพุทธบริษัทนลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ชื่อ่มีสมาธิในอนาปาโนสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์เมี่อมเป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอันนี้สงสัยน้อยก็ใช้คำนาควบควบู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามมาโธ ท, ทำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบายอารมณ์ทำแค่รมใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเอาดีไม่ได้ถ้าจิดเริ่มฟุ่งช่านย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อรมเป็นสุขขณะใดถ้ายะงรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไรู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมเอื่นแรกจิตเป็นสุขใช้ได้แสดงว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคาภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนั้นนะไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตที่ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมใจเข้าหายใจออกจงรู้เฉพาะคําบรรณาอย่างนี้ไว้ได้ อารมณ์กุ้มจะเกิดเมื่อขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชั้ได้ชงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตคือคิดนอนบางคิดนี่บางที่เรียกว่าอารมณ์โฟกัสสันต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นเอานอกโลกนอกทานไปแล้วแล้วก็หันกลับเรื่มจะเริ่มต้นจับใหม่ เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าห้ใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธหาใจออกจมวโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมพุ่งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อรารมณ์ฟุ้งซ่านคำว่าตัวเจ้าในพิสุทธิมักมียสองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับประโยชนให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตามสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมากรุกจะบ่ายเขาไม่เล่นมารุกหรือมัง้งเอาไม่เล่นมารุกอย่าเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเล่นไพ่เปเินเกินไปตำรวจจะจับเสียสักหนย จะร้ อ, องรำทำเพลงยังไงก็ช่งางจะมานั่งเล็กว่าเอ๊ใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วปล่อยใจพุ่งซ่านมากเกินไปเพราะรอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืในบรรดาท่านพรรุทธบริษันมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่พุ่งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการอย่าบังคับมันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ่มก็จะเกิด ในตอนนี้ะโรคประสาทจะเกิดกับมรนดาธธท่านผู้บริษัทที่ก็บอกว่าทําสมาธิระบ้าทําสมาธิระบาเขาใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมรษากัดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสั ม, สมพุทธเจ้าเราะว่าสมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าจงละส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตตกินนัพนธานิยคการทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิยคย่อหย่อนเกินไปได้อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุงต้องใช้มัชจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทำทำกันใหม่โดยเฉพาะอย่างยี่ยงเราทำกันแค่กาไรไม่ใช่ขาดทนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิก พระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยาจะคิดแล้วก็เชิญคิดไปไม่คนฝึกมาประยศมาประยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปพรอหมดแรงเมื่อไร่เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจแล้วข้อนี้ฉันใดให้กําลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแร่มพุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตางสบายอาตมาเคยพิสูจน์ มันยังคิดไปอย่างนานไม่เกินสิบห้านาทีพอกลับเข้ามทีมันหยุดตอนนี้จับอนาปานุสติเคลื่อนไใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบหนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยคึ่งชั่วโมงแลื ว, ว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอร บ, บรรดาแทานพุทธวัยสัจรหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จาต้องลายก่อนสาหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี